เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมจันทรีเพื่อประกอบในการเรียนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าอริยสัจ ค, ความหมายของคําว่าอริยสัจแปลว่าความจริงอันรเริดเผยได้อย่างหนึง่ง อีกอย่างหนึ่งแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าได้อย่างหนึ่งหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าความจริงที่ปราศจากฆ่าศึกนะเียกว่าก็แปลได้หลายอย่างนะแปลได้หลายอย่างฉะนั้นอริยสัจนี้ก็มีอยู่สี่นะสี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสองสมุทยคือเหตุให้เกิดทุกข์สามนิโรธคือความดับทุกข์ สีม่มรรคคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์ทั้งสี่อย่างนี่เนี่ยถือว่าเรียกว่าอริยสัจนะอริยสัจสี่อืมฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราได้เป็นพระสัมมาเจ้าก็เพราะได้บรรลุอริยสัจสี่นี่เองนะอริยสัจสี่นี่เองฉะนั้นจนึงได้บอกว่าคําว่าอริยสัจจึงแปลว่าความจีความจริงอันประเสริฐหรือว่าความจริงของพระรยาเจ้านะได้แก่ทุกสมุทัยนิโดธมรรคทั้งสี่อย่าง ที่ว่าเป็นอริยสัจก็เพราะว่าเป็นความจริงอย่างประเสริฐไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นนะคาว่าทุกข้อต้นนั้นอถ้าจําแนกออกแล้วก็เป็นสามนะเป็นสามอย่างอืมนะที่เรียกว่าทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกเพราะเป็นของที่ทนอยู่ได้ยากนะเป็นของที่ทนอยู่ได้ยากในะคําว่าที่มันทนอยู่ได้ยากก็คือว่าจริงๆแล้วคนเรานี่มันทุกมาตั้งแต่อยู่ในท้อง นะทุกมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธนะิเริ่มปฏิสนธิพอเริ่มปฏิสนธินี่มันจะเป็นจุดเล็กๆอยู่อในในครันของมารดานะไอ้จุดเล็กๆนั้นนะมันไม่สามารถจะคงจุดอยู่อย่างนั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ขยายใหญ่ออกไปเรื่อนยะเป็นกนะละละเป็นสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สมที่สีที่ห้าแล้วก็แตกเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นมือเป็นศรีรษะเป็นเท้าขึ้นมานะแล้วก็ขยายใหญ่ไปเรื่อย เนี่ยไม่สามารถจะทนอยู่อย่างในสาภาวะจุดอย่างนั้นได้มันขยายไปยเรื่อยเนี่ยเรียกว่าทุกข์มันเป็นสาภาวะที่ทนอยู่ได้ยากนะทนอยู่ไม่ได้หรือเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเรานั่งเป็นทุกข์เรานั่งมันเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนรีบดเพราะมันมันเรียกว่านั่งจนเมื่อยว่า ง, งั้นอ้าวนะเราก็เป็นทุกข์อีกแล้วนะเราก็เปลี่ยนเป็นลุกยืนอา้าวยืนมัน mới. เมื่อยอ้าวเราก็เปลี่ยนเป็นเดินอา้าวเดินมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนเป็นนั่งนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ความเมื่อยนี่แหละมันเป็นทุกข์ มันเบียดเบียนเรามันบีบบังคับเราอฉะนั้นเราจึงกลายเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจทีนี้ทุกข์นั้นก็อทุกข์ในยศาสตว์นี้เขาแบ่งออกเป็นสามนะคือหนึ่งสภาวะทุกข์ทุกข์ที่เป็นเองนะทุกข์ที่เป็นเองหรือทุกข์ประจําสังขารได้แก่อชาชาติกทุกนะเรี่เยกที่เราเรียกว่าชาติปีตุกขา ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ฉะนั้นทุกอย่างนี้เลยเรียกว่าสภาวะทุกข์คือทุกข์ที่มันมีประจําตัวของเรามีประจําตัวของเราของคนทุกทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในคําว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แต่ว่าบางทีเรามักจะพูดเพิ่มขึ้นมาว่าเกิดแก่เจ็บตาย อเรียกว่าเพิ่มพยาธิทุกข์เข้ามอีกนะเกิดแก่เจ็บตายอืมเพิ่มเขม้ามาดังนั้นทุกอย่างนี้มันเป็นทุกอย่างไรว่าเกิดเป็นทุกขก็ยังที่ได้บอกเลย ว, ว่าคําว่าทุกคือสาภาวะที่ทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้อแล้วเมื่อเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เราก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างแต่ตัวเรานั้นเมื่อก็เป็นทุกข์โดยสาภาวะของมันก็คือว่า เมื่อเป็นเด็กแล้วจะอยู่ในสภาวะเด็กไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะเป็นเด็กที่โตแล้วก็เป็นนมเป็นสาวอ่านะแล้วก็วัยกลางคนอ่านะแล้วก็เกิดเท่าแก่แล้วก็แตกสลายไปอย่างนี้แหละมันมันเป็นทุกข์ทางนั้นอืานะมันเป็นทุกข์ทางนั้นฉะนั้นนี่แหละที่บอกว่าเกิดเป็นทุกข์อืานะยิ่งไปกว่านั้นถ้ามาพูดถึงในแง่ของนามธรรมเนะี่ยในแง่ของนามธรรมก็หมายถึงว่า เราเกิดกิเลสตัณหานะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาอะไราก็เป็นทุกข์เหมือ น, นั้นนี่นี่เราพูดให้ลึกลงไปนะให้กว้างวังออกไปนะที่ว่าเกิดเป็นทุกข์เป็หมายถึงว่าถ้าเราเกิดกิเลสตัณหาขึ้นม า, ราเราก็เป็นทุกข์ทันทีอ่าเกิดร า, าคะความกำหนัดเราก็เป็นทุกข์อ่านอะยากได้อ่านะอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรถนี่ก็เป็นทุกข์อ่าเกิดโทสะขึ้นมาอ่าเราไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่เราก็เป็นทุกข์อีกแล้วนะี่ยิ่งไปกว่านั้น เราอยากได้เราก็ทําตามอําเภอใจเราไม่อยากได้เราก็ทําตามอําเภอใจไอ้ตัวโมหะมันก็เข้าสนับสนุนอีกเราก็เลยหลงในการที่เราทําไปอย่างนั้นเพราะเราหลงนะถูกอวิชช า, ค ร, าครอบงำถูกโมหะครอบงําทําให้เราไม่รู้จริงะว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้นมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าเราไปติดมาแล้วว่ามันจะต้องอยู่กับเราอย่างนี้ไอ้ที่เราชอบจะต้องอยู่อย่างนี้ไอ้ที่เราไม่ชอบมันก็ควรจะออกไปควรจะผลักออกไปควรจะ้มันห่างตัวเราไปอ่า นี่แหละก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะต้องระวังนะระวังอย่าให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงอย่าวังอย่าให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเมื่อไรก็เป็นทุกข์ทั้งทีฉะนั้นในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าทุกๆขณะจิตที่ได้เต้นออกไปนั้นก็คือเท่ากับว่าเรานี้เกิดชาติหนึ่งนะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในช่วงของชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราเกิดดับเกิดดับไม่รู้จักกี่ชาติ นะไม่รู้จักกี่ร้อยชาติปันชาติแนละ้วนะนั้นจึงมีคำที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าอนเนกชาติสังสารังสัมทาพิสังอ์อนิพิสังข า, ข า, ขารังคเวสันโตเป็นต้นนะซึ่งพูดโดยใจความก็คือว่าพระองค์ว่าเรานั้นได้เวียนไหวาตายเกิดมาในวัฏสงสารนะั้นรู้สึกว่าหลายร้อยหลายพันชาติหลายแสนชาตินะ รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เหลือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินทุกข์ขาชาติปุณนภูนงังการเกิดขึ้นบ่อยๆมันเป็นทุกข์ฉะนั้นอะไรมันเป็นตัวที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนอะไรมันเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติเป็นตัวสร้างบ้านสร้างเรือนอขะหการังคขเวสันโตน่ว่าเราสแสวงหาตัวสร้างบ้านสร้างเรือนก็คือสร้างภพสร้างชาติก็คื อ, อตัวตัณหานไอ้ตัวตัณหานี่เองอฉะนั้นบัดนี้เราได้ทําลายมาันซะแล้ว ทำลายตัวสร้างบ้านสร้างเรือสร้างภพสร้างชาติแล้วอขยมามัจฉาอถึงแล้วจึงซึ่งความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหานี่แหละนี่ฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละในความเกิดมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างนี้ทีนี้ก็มาในข้อที่สองที่ว่าความแก่ก็เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไงในความแก่ที่เป็นทุกข์ก็คือว่าทุกเพราะไม่อยากจะแก่อย่างหนึ่ง เนี่ทุกเพราะเราไม่อยากจะแก่เรากลัวจะแก่เอพอเรากลัวจะแก่ขึ้นในใจเมื่อไหรมันเป็นทุกข์ขึ้นทันทีส่องกระจกเมื่อไหรเห็นหน้าตัวเองนั้นรู้สึกว่าแหมมันเหี่ยวย่นไปแล้วเป็นทุกข์ทันทีนี่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไปเห็นคนอื่นเขารูปร่างสะสวยหดงามมาดูหน้าเราเขาเอาเป็นทุกข์อีกแล้วเห็นคนอื่นเขาหน้าผุดพองยองยัยมาดูหน้าตัวเราเอาอีกแล้วนี่เป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเพราะทุกเพราะเราไม่อยากจะแก่นะเพราะเราไม่อยากจะแก่ แต่จริงๆแล้วถึงเราจะอยากแก่มันก็เป็นทุกข์ไปตามสภาวะของมันไม่อยากแก่มันก็เป็นทุกข์ไปตามสภาวะของมันนะมันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนะเพราะบอกไว้แล้วว่าทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ได้ใช่ไหใไอ้คำว่าอนิจจังกับทุกขังเนี่ยเรียกว่าเหมือนว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะไอ้การเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือทุกข์มันก็ทนอยู่ไม่ได้คือมันเปลี่ยนแปลงไปนะ มันเป็นสภาวะที่คับแค้นนะมันบังคับเรามันบีบขั้นเราคับแค้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้อานิจังเหมือนกันฉะนั้นบางครั้งก็ในอานิจังทุกขังนี้ก็เหมือนว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนเราเมื่อเมื่ อ, อยังเด็กกําลังวังชาก็อย่างน้อยเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวกําลังวังชาก็มากเมื่อวัยกลางคนก็กําลังก็อยู่ตัว แต่ว่าพอแก่เท่าไปแล้วแน่นอนที่สุดกําลังของเรามันก็ถอยลงไปนะถอยหดลดลงไปนะอย่างนี้ก็เท่าว่าเราเริ่มเสื่อมลงแล้วตอนนี้นะสังขารไม่ไหวแล้วหัตถาปาฐาอนัสสวามือและเท้ามันไม่เป็นอวัมันเป็นอวัยวะไม่ฟังตามเราจะให้ว่าให้มันแข็งแรงอย่างนี้มันก็แข็งไม่ได้นะเราจะให้อ่ามือของเราเนี่ยมีสมรรถภาพนะให้ยกอะไรหนักๆได้เหมือนกับเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นนะ พอแกแล้วก็ยังว่าแหละมือมันก็สั่งงนงันงกหยิบอะไรก็ไม่ค่อยถูกหยิบแก้วน้ําก็น้ําหกหมดสั่นเดินไปก็เท้ามันก็แหม่รู้สึกว่ายันอะไรมันไม่ค่อยได้เต็มที่ซะและ้วจะนั่งทิ้งก็ต้องเอามือลงไปช่วยคลานเป็นสี่ขาไปอจะลุกทิ้งก็ต้องยกก้นขึ้นก่อนนี่แหละจึงบอกว่าไอ้สังขารคือร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะไม่ฟังตามนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่ พอมันแก่แล้วก็อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะไอ้แก่อ้อยแกมะพร้าวมันก็ยังดีนะยิ่งแก่ยิ่งหวานยิ่งมันนะแต่ว่าไอ้แก่คนนี้มันไม่ดีนะยิ่งแก่ก็ยิ่งเรียกว่าเกะกะควางหูขว้างทางเขานะขวางหูขว้างทางเขาแล้วตัวเองก็เบื่อหน่ายนะลักษณะของคนแก่เนี่ยตัวเองก็เบื่อหน่ายในความที่ตนเป็นคนแก่นะแล้วตนเองก็นึกเกลียดชังในความเป็นคนแก่ กินบางครั้งก็โมมมาๆ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่ได้อยา่างใจนะอยากจะกินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อยากจะกินอย่างนี้มันก็ไม่ได้เอออยากจะเคี่ยวหรือว่าจะกลืนอะไรมันสมจิตสมใจมันก็ไม่ได้ดังท <ๆ S 1> ี่เราปรารถนานี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นทุกขนะมันเป็นทุกอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าไอความแก่นั่นแหละมันบีบคั้นเรานะทาให้ให้เรานั้นปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ปรารถนาต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดังที่ต้องการอ่ มันก็เลยเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นจึงบอกว่าในความแก่นี่มันทําให้เรานี่มีกําลังวังชาล้าถอยลงไปนะถอยลงไปหูฝ้าตาฟางเนื้อหนังเหี่ยวย่นผมงอกฟันหักนี่นี่มันมันเป็นเครื่องบอกเึงความเป็นคนแก่นะเป็นความแก่และความแก่นี่ก็มีสองอย่างคือแก่ปิดกับแก่เปิดนะให้แก่ปิดก็หมายมือยังคนตั้งครันที่เราเรียกว่าคนท้องแก่ ไอ้จริงๆแล้วท้องมันไม่ได้แก่ลูกมันแก่ลูกมันแก่แล้วมันก็ดันให้ออกมาจากท้องดันท้องให้ตึงเราเรียกว่าท้องแก่อพอมันตึงถึงที่สุดแล้วมันก็ดันไปไม่ได้อีกแล้วมันก็เลยออกมาเนี่ยตอนออกมานี่แหละเขาเรียกว่าแก่เปิดอยังพวกเราที่เห็นเกันอยู่นี้เขาเรียกว่าแก่เปิดเปิดให้เห็นกันหมดอทุกส่วนตั้งแต่ผมจนถึงเท้าเรารู้หมดทุกส่วนเลยตั้งแต่ผมงอกรู้สึกว่าตามันก็ฝ่าฟางหูก็หนักใครพูดอะไรก็ไม่เคยได้ยิน อหนังเหี่ยวย่นลงไปเนี่ยเดินเถินมันกองเนื้อเงะแล้วคนอื่นก็เบื่อหน่ายอีกด้วยคนแก่นี่คนอื่นก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายฉะนั้นให้สังแก่ตัวคนยิ่งแก่ก็ยิ่งใจน้อยะคนแก่เนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งใจน้อยแทนที่ว่าใจจะแก่ไปตามตัวแต่เปล่ากลับตรงกันข้ามใจกลับลดลงยิ่งใจน้อยลงนี่เป็นอย่างนี้อ่าแล้วพอตัวเองตามไม่ดีบางครั้งก็เดินไปชนเขาก็หาว่าเขาไม่เลี่ยง ว่างั้นอีกแต่จริงแล้วตัวเองก็ไม่เห็นเองหาว่าไม่เลี่ยงแต่อีกเขาก็บอกว่าเขาเลี่ยงแล้วยังเดินมาหรือบางครั้งพูดไปเขาพูดตอบมาก็หาว่าเขาพูดค่อยไม่ได้ยินถ้าเขาพูดดังก็หาว่าเขาขูต่ตะค อ, อนี่ทั้นคนแก่จึงบอกว่าใจน้อยใจน้อยแต่นั้นจึงบอกว่าตัวเองก็รังเกียจตัวเองตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองแล้วคนอื่นก็เกิดความเบื่อหนอ่ายด้วย ฉะนั้นในสังคมเราทุกวันนี้จึงรังเกยียจคนแก่นรังเกยียจคนแก่แม้แต่พวกรถเมย์ก็เหมือนกันแม่รังเกยียจเหลือเกินน ะ, นะเอเคนแก่จะขึ้นรถทีนี่แหมรุนงุ่มงามเงะ้อง ะ, งะนะช้าเหลือเกินนะพระอย่างนี้นะคนแก่อย่างนี้เจ็บอย่างนี้เด็กอย่างนี้หมาอย่างนี้รู้สึกว่าพวกรถเมย์นี่มันกลัวเหลือเกินนะเบื่อไม่อยากนะไม่อยากถือว่าอทําให้วันนี้ต้อง ยุ่งวันนั้นเถอะยุ่งพอจะลองทิ้งเอาช้าๆหน่อยนะคนแก่ลงนะอ่าจะช้าหน่อยนะพระลงนะจะช้าหน่อยนะเด็กลงอ่าเนี่ยหรว่าจะขึ้นก็เหมือนกันเนี่ต้องจะช้าอยู่เลยเอี่ยบางคนโยมคนหนึ่งแกบอกแกรู้สึกน้อยใจอ่ที่จริงแล้วแกบอกว่าแกยังกระชับกระเฉงอยู่เวลาขึ้นก็ไวลงก็ไวอ่าแม้ว่าแกอายุจะมากแต่ว่าเวลาลงแล้วกระเป๋ามันบอกว่าให้จะช้าหน่อยคนแก่ลงเนี่ยแกรู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจ ไอ้ที่สาวๆลงกขาบอกว่าอไปได้บอกไปได้อืมที่จริงแล้วบอกแกก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าไปกว่านุ่มๆสาวๆเลยเนี่ยแกบอกว่าน้อยใจเอเรียกว่าเนี่ยยังไม่อยากจะแก่เห็นไหมพอไม่อยากจะแก่มันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะเป็นทุกข์อีกเหมือนกันฉะนั้นเขาทุกเพราะไม่อยากจะแก่ในประการที่สามมรนามปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่อยากจะตายนะทุกเพราะไม่อยากจะตาย อเคยคนเราไม่อยากจะตายเพราะตายแล้วรู้สึกว่าไอ้ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็หมดไปหมดไปเลยสิ่งมีชีวิตนี่รักชีวิตเป็นที่สุดอรักชีวิตเป็นที่สุดฉะนั้นเมื่อตัวเองตายไปแล้วก็ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปด้วยหมดไปด้วยฉะนั้นพวกเราจึงไม่อยากจะตายไม่อยากจะตายฉะนั้นมันก็เลยเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์ไอ้ตัวนี้เองแล้วสังเกตดูบางคนนี่ ยิ่งเวลาใกล้ตายในบางครั้งก็เพอทุรนทุรายนะเพอทุรนทุรายมากเลยนะอย่างนี้แสดงว่ามีทุกข์มากแต่บางคนเวลาใกล้จะตายก็ไม่พร่ำเพอไม่ทุรนทุรายออันนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลพอควรฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเตสังกิเิสเถทุกขติปะจิตเตสังกิเิสเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศ้ามองแล้วก็ไปทุกขติ คือไปเกิดไม่ดีอ่าอาจจะอาจจะไปเกิดในอบายภูมิไปเกิดเป็นเปรตเป็นเป็นสัตว์นรกอ่าเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่าเป็นอสุรกายอ่่านีพวกนี้ถือว่าอบายภูมิทางนั้นถือว่าทุกขติทางนั้นอถ้าว่าถ้าเราคิดดีก่อนจะตายจิตใจคิดดีเรียกว่าจิตเตอสังกิริเตสุขติปาติกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองแล้วก็ไปสุขติ ก็หมายถึงว่าสุขติก็ตั้งแต่มนุษย์มนุษย์เทวดาอพระพรหมไปเกิดในพรหมโลกหรือเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ถือว่าเป็นสุขติทางนั้นไปดีไปดีฉะนั้นก็จึงบอกว่าเราโดยมากทุกคนก็กลัวตายทางนั้นแล้วไม่มีใครไม่กลัวตายนไม่มีใครไม่กลัวตายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เราได้พิจารณาถึงความตายให้พิจารณาถึงความตายว่าจะมีขึ้นกับเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อเราได้พิจารณาถึงความตายอยู่บ่อยๆแล้วก็จะทำให้จิตของเรานั้นมั่นคงไม่กลัวตายจิตที่ไม่กลัวายนั้นจะเป็นจิตที่มีสมรรถภาพจะเป็นจิตที่เข้มแข็งเป็นจิตที่ควรแก่การงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าจิตที่กลัวต่อความตายนั้นจะเป็นจิตที่อ่อนแอเป็นจิตที่หดหู่ไม่กล้าจะทำอะไรดฉะนั้นพวกนี้ก็มักจะถึงข้ออ้างก็คือมักจะอ้างว่าหนาวออกจะตายไปร้อนออกจะตายไป แล้วทีว่าเย็นออกจะตายไปแน่ว่าเป็นอย่านนี้แล้วก็อจึงไม่กล้าที่จะไปทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่กลัวตายเสร็จแล้วจะทําอะไรมันก็แกล้วกล้าองค์อาถรรพไม่กลัวฉะนั้นก็ให้เราทุกคนนี้จงเจริญสติปัฏฐานขอประสารทให้เราเจริญมรณะสติก็คือให้เราลึกถึงความตายอันนี้อนึกจําได้มีเรื่องหนึ่ง มีพราหมณ์คนหนึ่งแก่เป็นคนที่เจริญมรณสติอยู่ตลอดเวลานะเรียกว่าจนมีความดืมดําในเรื่องถึงความตายไม่กลัวนะไม่กลัวตายฉะนั้นพรามคนนี้ก็ได้สอนภรรยานั้นให้เจริญมรณสติมีลูกชายก็สอนลูกชายให้เจริญมรณสติมีลูกสาวก็สอนลูกสาวให้เจริญมรณสติมีลูกสะพ้ายก็สอนให้ลูกสะภ้ายเจริญมรณสติ จนกระทั่งครอบครัวนี้ทุกคนมีจิตใจมั่นคงในการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาไม่กลัวตายมุ่งมั่นแต่ในการประกอบอสิ่งที่ดีที่งามอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องตายจะต้องรีบยดทำความดีปรากฏวันหนึ่งในขณะที่พราหมณ์ผู้เป็นพ่อนั้นได้ไปไถนานะไปไถนากับลูกชายปรากฏลูกชายก็ได้ถูกงูกัดตาย ถูกงูกัดตายปรากฏว่าแกไม่เคยเสียใจเลยนะไม่รู้สึกเสียใจเพราะแกเพราะแกเป็นคนรู้ว่าทุกคนนั้นเกิดมาแล้วต้องตายนะอันนี้แกจึงไม่เสียใจปนะรากฏเป็นไงเพราะเขาอันนี้ทราบไปถึงแม่นะไปถึงประยาว่าลลกตายทุกคนไม่เสียใจเลยแกบอกไม่เสียใจบอกว่าไงแกก็บอกว่าก็เหมือนกับ ไอปูที่มันลอกคราบนะปูที่มันลอกคราบหรือว่างูที่มันลอกคราบเนี่ยพราหมณ์สามีกับพาหมณภรรยามีความเห็นเหมือนกันว่าไองูหรือปูที่มันลอกคราบงูที่มันลอกคราบแล้วมันก็ทิ้งคราบเก่ามันไปมันไม่เคยอะไรในคราบในคราบเก่าของมันเลยเอ่ไม่มีมันจะปล่อยทิ้งไปเลยแล้วก็ไปเลยปูเหมือนกันเวลามันลอกคราบแล้วมันก็ทิ้งคราบเก่าของมันไปมันไม่เคยอะไรในคราบเก่าของมันเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้น จึงไม่บอกว่าเราไม่ควรเสียใจไม่มีประโยชน์อันใดนะไม่มีประโยชน์อันใดนี่เรียกว่าพราหมณ์ผู้เป็นพ่อนะคิดอย่างนั้นนะแก้ตอบปัญหาสําหรับคนที่มาถามบอว่าไม่เสียใจเลยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็ไปสู่พบใหม่แล้วนะไปสู่พบใหม่เราจะไปอะไรถึงคราบเก่านั้นมันก็ยังไงอยู่นะไม่สมควรงูมันยังไม่อะไรคราบเก่าปูมันก็ยังไม่อะไรคราบเก่าแล้วเราเรื่องอะไรจะต้องไปอะไรกับซากศพ นีสังขารคือร่างกายตอนนี้จิตวิญญาณเข้าไปไหนแล้วพอไปจุติแล้วนี่พอไปถามภรรยาภรรยาเขาบอกว่าไม่น่าเสียใจอะไรเลยเพราะว่าไที่เขามาจะมาเกิดในท้องเขาก็ไม่ได้มาบอกกับฉันนะไม่เคยมาบอกฉันว่าฉันจะมาเกิดแล้วนะและตอนที่เขาจะตายไปเขาก็ไม่ได้มาลาฉันไปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารของชีวิตะเมื่อมาก็ไม่ได้มาลา ไม่ได้มาบอกเมื่อไปก็ไม่ได้มาลาอันนี้ก็ทำให้นึกถึงคำของอประเดศประคุณท่านเจ้าคุณธรรมาราชาอตอนที่ท่านยังอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลสิรไดาก็ปรากฏว่ามีพี่พี่สาวหรือว่าน้องน้องสาวของท่านเนี่ยเกิดตายไปตายไปอยู่ที่จังหวัดอยุทยาท่านก็ทางโน้นก็ให้ลัหลานเนี่ยมาในมนฑลท่านไป ที่จริงท่านก็ยังนอนยังนอนอยู่ที่เตียงบนที่โรงพยาบาลศิริราชอท่านก็บอกจะไปยังไงแล้วนะไปไม่ไหวแล้วนะให้เราอตอนมาก็ต่างคนต่างมานะเมื่อถึงคราวไปก็ต่างคนต่างไปอนะกลับไปบอกด้วยก็แล้วกันก็ <c oughs> ฟังดูแล้วก็คํำขาดีเหมือนกันอ่านะนี่แหละมันเหมือนกับ น, นี้แหละว่าเมื่อมาก็ต่างคนต่างมาเมื่อไปก็ต่างคนต่างไปนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็สบายใจ หรืออย่างที่เขาบอกว่าเมื่อเรามามีอะไรมากับด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกนชฉไหนเมื่อเจ้ามามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานี่อันนี้ก็เป็นเป็นคติเตือนใจดีมากนะดีมากว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็จะมัวโลกกรดหลงยูนะจะมัวแย่งกันยูจะมัวจกจิ้งวิ่งราวรือว่า ที่ต้นค่ากันอยู่อันนี้มันเกิดเบียดเบียนกันเกิดเป็นบาปเป็นพ่อเป็นเวรเป็นกรรมไม่มีประโยชน์อะไรเลย เ, เราควรจะสร้างบุญทานการกุศลไว้นะไอสิ่งที่เรากอบโกยมาโลภมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้ฉะนั้นจึงมีภาษิตอีกบทหนึ่งว่ามีเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผลอันความตายหมายไว้ทั่วทุกตัวคนติกสินบนเท่าไหรชีพไม่คืนนี่เห็นไหม ว่ามีเงินทองเท่าไหร่นี่เวลาใกล้จะตายแล้วไปติดสินบนพญามัจุราชเขาไม่เอาด้วยนะไม่เอาด้วยพยามัจุราชนี่ไม่เคยมีคอรัปชั่นนะไม่เคยมีคอรัปชั่นใครจะมาติดสินบนอย่างไรพยามัจุราชไม่เอาด้วยนะไม่เอาด้วยฉะนั้นกขาจึงบอกว่ายศและลาภหากไปไม่ได้แน่เว้นแต่แต่ตนทนบุญกุศลอนะแต่ว่าเราต้องทิ้ ง, งทั้ง ท, ทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเห็นไหม เราจะได้ลาภทางไหนมีมากมายกายกองมีเงินเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านมีตึกกี่แถวกไไ็แล้วแต่เราก็เอาไปไม่ได้นะเราจะมียศเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพนเราก็เอาไปไม่ได้นะสิ่งที่เราไปได้ก็คือคุณงามความดีแค่นั้นมันจะติดตามตัวเราไปนะติดตามตัวเราไปเรียกว่าความดีกับความชั่วเท่านั้นแหละที่มันจะติดตามตัวเราไปได้หากว่าเราทําดีมากความดีก็ติดตามตัวเราไป ถ้าเราทําชั่วมากความชั่วก็ติดตามตัวเราไปเหมือนกับในกครงโลกอนิสติบทหนึ่งบทหนึ่งว่าพฤะศพประกาศสอนอีกุญชอนอันตกลลงโททนเสน่งคงสําคัญหมายในกายมีนอรชาตติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเห็นไหมว่าความดีและความชั่วเท่านั้นที่จะประดับไว้ในโลกาอย่างอื่นเอาไปไม่ได้นี่ก็พูดถึงเรื่องความตายยืดยาวลงไปนะยืดยาวลงไป ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้ฟังเรื่องราวบ้างนะฉะนั้นก็หันมาพูดถึงสภาวะ <c oughs> สภาวะทุกว่าทุกที่มันมีประจำตัวว่าทุกอย่างนี้แก้ไม่ได้พระพุทธองค์บอกแก้ไม่ได้ไม่มียาแก้เราจะแก้ไม่ให้เกิดจะแก้ไม่ให้แก่แก้ไม่ให้ตายเนี่ยไม่ได้ใช่ผู้ฟังอาจจะบอกเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เกิดกันได้นะแต่ว่ามันจะให้หมดไปไม่ได้นะมันจะต้องมีนะจะต้องมีแน่ ถาหกว่าหยุดกันได้ก็แน่นอนที่สุดโลกนี้ก็เห็นท่าจะเป็นโลกที่ว่างเปล่าฉะนั้นจึงบอกว่าเราหยุดไม่ได้มันแก้ไม่ได้แต่ว่าให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันต่อสภาวะความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ควรเรียกว่าใช้ชีวิตให้เป็นคนเปล่าประโยชน์ก็ควรจะพยันทํากิจการงานน้อยใหญ่ อในเมื่อน้อยก็ขยันเล่าเรียนศึกษานะประถมวัยให้คิดอ่านการศึกษามัดชิ้นวัยให้คิดหาสร้างหลักฐานปัดชิ้นวัยให้สร้างคุณทรรบุญทานเมือ่อวัยปรานผ่านพ้นทุกข์สุขพินโยนี่ให้เรารู้จักอย่างนั้นก็ทักว่าเราไม่ประมาทแต่ถ้าหากว่าเราโม่ประมาทไม่เราเรียนศึกษาในเมื่อน้อยเมื่อวัยกลางคนก็ไม่ขยันทำกิจการงานเมื่อแก่เท่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งเราก็ไม่ขยันทำบุญสนทานแน่นอนที่สุดอย่างนี้เราเกิดมาก็เสียชาติเกิด เสนะียชาติเกิดเกิดมาจากแต่ว่าหาลมหายใจเข้าออกเขานะั้นไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยฉะนั้นเมื่อเรามาพิจนารณาอย่างนี้เราก็จะต้องควรขวายสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญทานการกุศลก็จะติดตามตัวเราไปนี่เป็นเรื่องของสภาวะทุกขนะ์เป็นเรื่องของสภาวะทุกข์ทีนี้มาในข้อที่สองในข้อที่สองก็คือเรื่องปากินนกาทุกขนะ์ปากินนากะทุกข์นี้แปลว่าทุกข์เล็กๆน้อยๆ หรือบางทีก็เรียกว่าอาคันตุกะทุกแปลว่าทุกที่จรมาหรือบางที่ก็เรียกว่าทุกขระจรทุกขจรซึ่งเรียกได้หลายอย่างจะเป็นปกินอากาศทุกหรือจะเป็นอาคันตุกะทุกหรือจะเป็นอาทุกขจรก็เป็นทุกเล็กเล็กน้อยน้อยจากนั้นชื่อว่าทุกเลกเล็กน้อยนแต่จริงๆแล้วทุกมากเหลือเกินนะทุกมากเหลือเกินฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ว่าให้เราควรป้องกันปกินอากาทุกอะไรคือปกินอากาศทุก ก็คือโสกะปริเทวะทุกขะโทมานต์กุปายาสะอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนรปติตามปิทุกขงังสังขิตเตนณปัญจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขะนี่ที่เราได้สวดมนต์ท่องกันนะสวดมนต์ท่องกันฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดอคําแปลด้วยก็คือว่าโสกะความเศร้าโศก นะโสกะนี่คือความเศร้าโศกอ่าปริเทวะก็คือความร่ำไรอทุกขะโทมนัสก็คือความอทุกขะก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสก็คือความเสียใจอุปายาสความคับแค้นใจนะอะปิเยหิสัมเปโยโคทุกโขนะประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์นะปิเยหิวิปโยโคทุกโขทัดพากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะ ยำปิชังนราพติตามปีทุกขังอ่าไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์อ่าสังขิตเตนะปันจุ ป, ปาทานะขันธาทุกขาโดยย่อแล้วก็คือทุกในขันท่าอ่าทุกในขันท่าก็ามีขันท่าก็เป็นทุกข์นะมีขันท่าก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นในขันท่าก็ไม่เป็นทุกข์เลยนะจะเป็นโสกภริเทวทุกขโทมนานัสอุปายาสะอะไรก็แล้วแต่อ่าอันนี้มันอยู่ในขันท่าตรงนั้น เรีนะ๋ยวว่าเพราะมีขันท่าจึงได้เป็นทุกขนะ์ถ้าไม่มีขันท่าก็ไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นทุกอย่างนี้แหละพระพุทธองค์บอกว่าต้องป้องกันนะต้องป้องกันถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันแน่นอนทุกอย่างนี้มันเหมือนกับแขกเราเราไปยินดีมันเราไปพอใจมันมันก็จะมาเยี่ยมเยือนเราบ่อยเมื่อมันมาเยี่ยมเยือนเราบ่อยแน่นอนที่สุดก็สร้างปัญหาให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความกระวนกระวาลนะเหมือนกับแขกที่มาบ้านเราเราก็ต้องเตรียมเตรียมการต้อนรับนะต้อง ตักน้ําหุงหาอาหารปูเสือตาลอาสนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการพูดการคุยกันมันก็ลอยเสียเวลาเหมือนกันถ้าหากว่าใครผู้หนึ่งผู้ใดปล่อยให้ปะกินอากาทุกเข้ามาครอบงําจิตใจตามเหตุตามสถานการณ์ต่างๆผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ผู้นั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนอย่างมากมายฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือว่าให้เราั้นได้รู้จักละรู้จักวางอ่าอย่าไปติดนะอย่าไปติด อย่าไปหลงไหลอ่าถ้าหากว่าเราไปติดไปหลงไหลกับในสิ่งเหล่านี้แน่นอนที่สุดไอตัวอุปาทานนี่แหละมันเป็นตัวที่สร้างพบสร้างชาติทําให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาอ่าทำไมจึงต้องเป็นเราอ่าทาไมจึงต้องเป็นเราทําไมจึงทํากับฉันได้เนี่ยเราจะร้องกันเนี่ยทำไมจึงทํากับฉันได้ทําไมจึงต้องเป็นเราก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอยู่อย่างนี้อ่เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้น เมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้จักป้องกันปนะ้องกันก็คือว่าให้เตรียมกายเตรียมใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าวางขันห้าละขันห้าเพราะว่าขันห้ามันเป็นภาระอันเหลอเกินเมื่อเราวางเมื่อเราละแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายวันนี้พูดถึงเรื่องอริยสัจสี่มาก็ยังไม่จบสมบูรณ์ ก็เอาไว้ต่อในหน้าสองต่อไปฉะนั้นก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ข อ, อความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพรวันนี้ก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่ต่อจากคราวที่แล้วซึ่งคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องปากินะกาทุกคือทุกเล็กเล็กน้อยๆอยซึ่งก็ยังไม่ทันจบสมบูรณ์ฉะนั้นก็หมดเวลาฉะนั้นก็ขอมาต่อเอาในช่วงนี้ ฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องอทุกข์แล้วก็มีอยู่สองอย่างก็คือสภาวะทุกข์คือเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อันนี้ก็ได้บรรยายไปแล้วมาในข้อที่สองก็คือปกิณกะทุกข์คือทุกข์เล็กๆน้อยๆตั้งแต่โศกะบริเทวะทุกขะโทมานัสอุปายาสะนะทุกขะคือความไม่สบายกายไม่สบายาโศกะคือความเศร้าโศก ตามความเสียใจปริเทวะคือความร่ําไรทุกขะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสคือความเสียใจอุปายาสะความคับแขนใจความตรอมใจอเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละเป็นทุกข์นะและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีทุกข์อีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านิพพัทธทุกข์นิพพัทธทุกข์แปลว่าทุกเนืองนิดทุกเนืองนิดนี่ก็ได้แก่รียกว่าทุกเป็นเจ้าเรือนในแก่ความหนาวความกระหายความ หิวต่างๆหรือปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอย่างนี้เราจัดว่าเป็นทุกข์อริยสัตว์ทางนั้นเลยเป็นทุกข์อริยสัตว์ทางนั้นฉะนั้นทุกทั้งหมดนี้เราต้องป้องกรรันป้องกันที่ไหนก็คือว่าอาให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดมันเกิดจากเหตุแล้วก็มันก็ดับลงด้วยเหตุเมื่อมันเกิดเหตุก็ดับลงด้วยเหตุ ยังกินจิสมุทะยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเหตุก็ยำดับลงด้วยเหตุหรืออย่างที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในในตอนหนึ่งว่าเยธรมมาเหตุกปัปวาเตสังเหตุงตถาคตะะโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนว่าธรรมเราใดเกิด จากเหตุนะตาทัตาขัตาทคดปรัดเหตุและความดับเหตุแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้นะถ้าพูดให้สั้นอีกนิดหน่อยก็พูดว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุทำเหล่านั้นก็ย่อมดับลงด้วยเหตุนะพูดว่างั้นฉะนั้ น, น, นเมื่อเรารู้พิจารณารู้เหตุรู้ผลอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่มีทุกข์เราก็จะไม่มีโทษที่เราเกิดความโศกเศร้าเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจากอะไรที่เราเกิดความไม่สบายกายสบายใจเกิดขึ้นจากอะไรที่เราเกิดอริเทวะคือความร่ำไรเกิด จ, จ, <ham> จากอะไรเกิดความเสียใจเกิดจากอะไรเกิดความรับแคนใจเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้สมุทฐานเกิดนะั้นแน่นอนที่สุดเรารู้แล้วก็เราก็แก่แก้ไอ้ตัวทุกข์อันนั้นแก้ปัญหาให้ถูกเรียกว่าเรารู้ปัญหาแล้วก็รู้เหตุเกิดปัญหา แล้วก็รู้แก้ปัญหาแล้วก็รู้ทางที่จะแก้ปัญหาให้หมดไปนี่แหละรู้อย่างนี้เรียกว่าเท่ากับว่าเราเราป้องกันไม่ให้อะปรากฏในกาลทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความหมายในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองที่บอกว่าตัณหาตัณหาในตัวสมุทยัยสมุทัยก็คือตัวตัณหาตัณหาก็คือความทยานอยาก <N> ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ <N> เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหานั้นมีอยู่สามประเภทคือหนึ่งตัณหาในาอารมณ์ที่น่ารักไร้เรียกว่ากามตัณหาความอยากโน่นอยากเป็นนี่เรียกว่าภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัณหานี <N> ่เรียกว่าวิภาวะตัณหาฉะนั้นนี่แหละมันตัวเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ ตัวเหตุให้เราเกิดทุกข์ที่เราเกิดทุกข์ขึ้นทุกวันนี้่ที่เกิดโศกความเศร้าโศกปลิเทวะความลำไรทุกข์งความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัตความเอเสียใจอุปายาสาความขับแค้นใจเนี่ยอปิเยหิสัมโยโคทุกโขพัฒนาจักประสบสิ่งที่ไม่ได้รักก็เป็นทุกปิเยหิวิปโยโคทุกโขพัฒนาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกยาบิดชังนรปติตำปิทุกข์ังไม่ได้สิ่งที่ปารธนาก็เป็นทุก นี่แหละมันมาจากไอตัวนี้แหละไอตัวตัณหานี่เองไอตัณหาสามนี่เองกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอ่มันทําให้มันเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นีให้เราเหตุให้เราเกิดทุกข์ฉะนั้นเมื่อโดยรวบยอดแล้วก็คือว่าเราทุกข์ในขันห้าทุกข์ในขันห้าคือทุกข์ในรูปในเวทนาจัญญาทั้งขามวิญญาณน่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขันห้าตามสภาวะความเป็นจริงอ่าไม่ยึด มันถือมั่นแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องกามะตัญหาไอ้คาว่าอยากได้ในกามใน้กามในที่นี้หมายถึงวัต ถ, นะถุกามนะวัตถุกามวัตถุกามก็คือจิตของเราที่มีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอ่านะนี่แหละเป็นกามะตัญหานะเป็นกามะตัญหาคือคนเราพอติดรูปติดเสียงติดติดติดรสแน่นอนที่สดุดอันนี้ถือว่าเป็น เบียรูปศาธารูปเป็นอารมณ์ที่ที่น่ารักที่น่าใคร่เป็นอารมณ์ที่น่ายินดีนะเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาของคนเราทุกคนนะฉะนั้นเมื่อคนเรามาติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเราก็จึงเกิดการสแสวงหาสแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสเมื่อเราไม่ได้ด้วยด้วยสุจริตก็ต้องหาวิธีการทุจริตฉะนั้นวิธีการทุจริตก็คือว่ามีการแย่งกัน สุดค่าอนาจารกันมีการ เ, าเรียกว่าฆ่ากันนะเรียกว่ามีเรียกว่าสัตชิงนางก็ได้นะอันนี้เราก็เห็นปรากฏอยู่บ่อยๆนะหรือว่าเราติดในเสียงก็ติดเสียงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรือเสียงอะไรก็แล้วแต่บางครั้งก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันเกิดฆ่ากันตายนะเกิดแย่งกันแย่งเสียงกัน <c oughs> บางครั้งเราก็แย่งกลิ่นกันบางครั้งเราก็แย่งกลิ่นกัน ไว้เป็นอย่างนี้ดีเป็นไม่ดีไอ้ advances, สิ่งเป็นที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องการนะไอ้เป็นดีเราก็ต้องการเราก็แย่งกันอีกนั่นแหละนะรถก็เหมือนกันแย่งอาหารการกินกันนะแย่งกันไอ้อย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ไดีนะนี่เราก็แย่งกันบางบางครั้งไม่ต้องถึงกับแย่งตัวเองก็ตายเพราะว่าไอ้ความที่ความอยากตัวนี้แล้วมันก็เสือกกระสนมันขักไสทําให้เรานั้นจะต้องไปกินที่โน่นที่นี่นะที่จริงแล้วก็ถ้าเรามองไปตามความเป็นจริงนะว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรอืม เพื่อยังอัตภาพให้ดำรงอยู่ในการที่จ ะ, ะดำเนินชีวิตประกอบปุ่งามความดีต่อไปแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเรากินอาหารไม่ให้มันปูดมันเน่าแค่นั้นใช้ได้เลยแต่ว่าเรามาติดในรถอ่าทะนั้นเขาก็เลยโฆษณาว่าโนทนอยู่เมืองพัทยาอาหารดีอ้าวเราก็นั่งรถไปอ่าบางครั้งเราต้องทิ้งละหน้าที่ไปอ่าทิ้งละหน้าที่ไปแล้วกินคนเดียวมันก็ไม่สนุกต้องไปหลายๆคน นะแล้วก็เมากันมาคนที่สุดก็ขับรถนะชนกันบ้างหรืออตกถนนไว้บ้างเลยโค้งไปบ้างนี่ก็ตายนี่ก็เป็นเรื่องการแย่งอาหารติดในอาหารนั่นเองนะติดในอาหารพูดง่ายๆก็คือว่าติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสนะติดในสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้นี่แหละไอ้คําว่าเราบางครั้งหรือพูดถึงเรื่องกินอาหารนี้บางครั้งเอเราถ้าทางโลก บางครั้งเราอาจจะเข้าใจแคบไปไอ้คำว่ากินนี่ไม่ได้หมายถึงกินทางปากอย่างเดียวทางอื่นก็กินได้เราหมายถึงว่ายังกินอาหารนี้ก็คือว่าอาหารที่เรานำเข้าทางปากแต่จริงๆแล้วนั้นมันก็ยังมีอาหารอีกหลายอย่างเช่นว่าทางตาก็มีอะไรอาหารมีรูปเป็นอาหารรูปอาหารอาหารคือรูปรูปเนี่ยเป็นอาหารตาเรากินเราก็เกิดความอริดอร่อยทางตา นเกิดความอาริสอร่อยทางตา น, นี่บางครั้งเรารู้สึกพอใจมากเลยได้ดูแล้วเกิดฟัเราะชอบใจแตบ่บางครั้งก็น้ําตาไหลแต่บางครั้งเราดูแล้วเราก็เกิดร้องไห้นี่เกิดความเสียใจดีใจก็น้ําตาไหลเสียใจก็น้ําตาไหลนี่บางครั้งเราดีใจเราถึงกับอุทานขึ้นมาเลยปลกมือขึ้นมาแต่บางครั้งเราเสียใจนี่เราก็ถึงกับใช้คําไม่สุภาพพูดออกไปนี่อย่างนี้ก็มีนี่เขาเรียกว่าเราอาริสอร่อยทางตานะ ในทางหูเหมือนกันบางครั้งเราฟังเสียงแล้วถึงกัตบตกมือเลยเหมือนกันนะปบมือเลยเฮฮาเลยตึงๆขึ้นมาหรืออุทานออกมาเยี่ยมบ้างอะไรยอดบ้างแน่บ้างอะไรก็แล้วแต่ละนะแต่ถ้าเราไม่ไม่อร่อยในทางหูนี่แม่รู้สึกว่ามันคลายหูเหลือเกินคายหูเลยหูพึงเลยว่าอย่เถอะอทําทให้เราไม่ไม่สบายใจอในจมูกเหมือนกันอร่ออร่อยทางจมูกอรู้สึกว่าอยากดมอยู่ด้วย นะอยากลมอยู่เลยดมจนจมูกเสียว่างั้นเถอะนะจนจมูกเป็นไซนัตว่างั้นเถอะจะมูกคลุกจมูกแหวงจมูกโวไปเลยก็มีนะหรือบางทีเราก็ติดในรถนี่เนะี่ยอย่งในอย่างอื่นก็ทํานองเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเรากินอาหารอย่างหนึ่งนะเรากินอาหารอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันต่อเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่จีรังยั่งยืนเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักมีสติกำหนดอทำใจให้เป็นกลางๆได้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายในประการที่สองก็คือความอยากเป็นโน่นเป็นนี่นะอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากมีอยากเป็ น, น, นเนน ย, ยเนนะหรือว่าอยากอยู่ในภพที่เกิดด้วยอำนาจความอะไรก็ดีหรือว่าความอยากเกิดในภพที่ปราถนาต่อไปก็ดีอย่างนี้เ ร, เรียกว่าภาวะตัณหา เรียกว่าเพราะว่าปัญหาเราอยากมีอยากเป็นอยากอยู่เรื่อยคนเรานี่มันอยากเรื่อย พ, พออยากมีแล้วอย่างนั้นแล้วแทนว่าได้อีกแทนที่จะพอเปล่ากับมีอยากมีต่อไปอีกนะอยากมีต่อไปอีกอยากมีมันขึ้นไปเรื่อยๆแ ล, ยแล้วเมื่อเราได้สิ่งไหแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งที่เรามีที่เราว่าดีนั้นมัน ส, สูญหายไปนี่เรียกอันนี้เรียกว่าเราติดอยู่ในภพเราติดอยู่ในภพไม่อยากให้สิ่งนั้นมันมันหายจากเราไปนี่เรียกว่าอยากมีอ้าว หรือบางครั้งคนคนเป็นสาวก็อยากมีแฟนหนุ่มๆคนหนุ่มก็อยากมีแฟนสาวๆ ส, สวยๆนะคนนึกว่าถ้ามีคนสวยแล้วมันคงจะมีความสุขกายสบายใจอมีความสุขกายสบายใจถ้าเกิดว่าอยู่ไปกับเราดีก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้จากไปอแต่ว่าถ้าอยู่ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้จากเราไปนี่ออันนี้ก็มันก็เป็นอภาวะตันหานภาวะตันหาฉะนั้น มาในข้อที่สามที่บอกว่าวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไอท้ทีแรกเราอยากมีนะเช่นว่าเราอยากจะมีภรรยาอเป็นนางงามเนี่ยอยากจะมีสามีเป็นนายร้อยรู้สึกมันโก้ดีนะมันสวยดีมันคงจะมีความสุขมากอไปที่ไหนแล้วก็เป็นที่เช่นชมของคนทั่วไปที่ใครเขเห็นแต่บางทีมันก็กลับตรรปัดนะพอไปอยู่จริงๆแล้วเข้ากันไม่ได้เลยนะเข้ากันไม่ได้ก็เอาแล้วภรรยาก็บ่นแล้วนะ ไม่อยากนะไม่อยากจะมีแฟนเป็นในร้อยในร้อยก็ไม่อยากจะมีแฟนเป็นนางงานนี่แหละไอ้ที่แรกอยากมีแล้วก็มากลับไม่อยากมีอย่างนี้แหละเป็นวิภาวะตัณหาเขาเรียกว่าเบื่อเบื่ออยากอยากนะเบื่อเบื่ออยากอยากก็เลยกลายเป็นวิภาวะตัณหาไปฉะนั้นอันนี้แหละมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโทษฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักสลับรู้จักสละอยาไปอะไรมันนะอยากไปอะไรต้องรู้จักสละมันออกไป อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขกายมีความสบายใจมาในข้อที่สามที่บอกว่าความข้อที่สามก็คือตัวนิโรธนิโรธก็คือความดับตัณหาโดยสิ้นเชิงคือดับทุกหมดอดับทุกหมดไปได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกได้อย่างแนบสนิทเน่ยในความดับทุกได้อย่างแนบสนิทก็คือว่าไม่เหลือ ก็หมายถึงว่าตัวตัณหานั่นเองไม่เหลือไว้แล้วเนี่หมดนะฉะนั้นมาในข้อที่สี่ก็คือมักคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมัจคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์หนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นก็มีอยู่แปดสายด้วยกันนะมีอยู่แปดสายด้วยกันคนเรานั้น <c oughs> สมมุติว่าคนคนต่างจังหวัดจะเข้ากรุงเทพกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางเราจะมาทางไหนก็ได้ นะจะมาทางเครื่องบินก็ได้จะมาทางรถก็ได้มาทางเรือก็ได้แล้วรถนี่ก็มาได้อีต่างหลายทางนะมาได้หลายทางทางนั้นแต่เป้าหมายก็คือถึงกรุงเทพนะแค่นั้นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกนั้นก็มีอยู่แปดสายนะแต่ว่าแปดสายนี้เราจะต้องไปคู่กันตลอดเวลาต้องไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันไปคนละทีไม่ได้เหมือนกับเชือกเส้นเดียวแต่ว่ามีอยู่แปดเกลียวนะอันนี้ขอให้ทา่านบุกฟังฟังให้ดี คำว่ามักมีองแปดเนี่ยหรือว่ามักประกอบด้วยองแปดนี่ก็หมายเหมือนกับว่าเชือกเส้นเดียวแต่ว่ามีอยู่เชือกเส้นเดียวมีอยู่แปดสายหรือว่ามีมีมีอยู่แปดเกลียวอนะมีอยู่แปดเกลียวอ่าฉะนั้นก็เท่ากับว่าต้องไปทั้งแปดเกลียวเลยไปพร้อมกันหมดเลยนะประพฤติไม่พร้อมกันไม่ได้ไม่เป็นมัคคะสมังคีนะถ้าไม่เป็นมัคคะสมังคีหรือว่าความพร้อมกันแล้วก็ จะไม่เกิดอประโยชน์ดังที่ตนมุ่งมา่นตราถนาได้ฉะนั้นยังบอกว่ามาักมีองแปลกมักมีองแปลได้แก่อะไรก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบกคืออะไรเ อ, อเห็นชอบคือเห็ น, นไหนๆก็คือเห็นว่าทุกมีจริงเห็นว่าเหตุให้เกิดทุกมีจริงเห็นว่าความดับทุกมีจริงเห็นว่าหนทางให้ถึงความดับทุกมีจริงอ่านี่เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองสัมมาสังกัปป ะ, ะดํ m ริชอบดํ m ริในการดํ m ริในการออกจากกรรมก็คือเนฆคำ ม, มั่นะแล้วก็ดํ m ริในการไม่พยาบาทนะก็คือมีเมตตาแล้วก็ดํ m ริในการไม่เบียดเบียนะดํ m ริในการไม่เบียดเบียนกันนะอันนี้ก็เพราะว่าการเบียดเบียนกันนั้นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษเรียกว่าดํ m ริชอบนะสัมมาสังกัปปะข้อที่สามสัมมาวาจา คือเจรจาชอบคําว่าเจรจาชอบก็คือพูดดีเนี่พูดถูกต้องพูดไม่ผิดพูดไม่ผิดก็คือพูดไม่พูดตดไม่พูดโกไม่พูดคำหยาบไม่พูด่อดเสียดไม่พูดเพอเจอรอ่าอย่างนี้เรียกว่าเจรจาชอบนะและประการที่สี่ก็คือสัมมากรรมมันต์การงานชอบนะก็คือหมายถึงว่าการ ทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปในทางที่ชอบต้องเป็นไปในทางที่สุจริตไม่ใช่ว่าเราดําเนินชีวิตด้วยทางทุจริตอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลการที่ห้าก็คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบก็คือเลี้ยงชีพในทางาสุจริตไม่ใช่เป็นพวกมิจฉาชีพในทางทุจริตเท่าลอกลวงเอาหากินหรือโดยการจี้ต้นข้าต่างๆนาน า, น า, น า, นานอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตนะประการที่ หกก็คือสัมม า, า, มมาวายามะเพียรชอบคำว่าเพียรชอบก็คือหมายถึงว่าเพียรอยู่ในหลักสี่ประการคือหนึ่งสังวรประทานาเพียรระวังย้ายบาปเกิดขึ้นในจิตใจข้อที่สองภาวนาปหาณประทานเพียรละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจให้หมดไปข้อที่สามภาวนาประทานเพียรจ้างบนร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจ ข้อที่สี่อนุรักษนาประธานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เสื่อมไปนี่คือเรียกว่าสัมมาวายามะข้อที่เจ็ดสัมมาสติก็คือรลึกชอบนะระลึกชอบร ะ, ะลึกชอบคือว่ายังระลึกในสติปัฏฐา น, นมีสติเป็นที่ตั้งเป็นประฐานระลึกกายานุป จ, จนานสติปัฏฐานานมีสติพิจารณากาย ในกายว่าม er er ันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานุปัตสนาสติปัฏฐานามีสติพิจารณาเวทนาในเวทนาว่าไม่ใจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตานุปัตสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตในจิตว่ามันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมานุปัตสนาสติปัฏฐานาพิจารณ์ทำในธรรมว่าไม่นจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณอย่างนี้เราเรียกว่าสัมมาสัมมาสติและในข้อที่แปดคือข้อสุดท้าย สัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบนะตั้งใจมั่นชอบก็คือมีสติมั่นคงนะมอีอมีสมาธิมั่นคงคนถ้ามีสมาธิมั่นคงแล้วก็ใจมันก็แน่วแน่นะใจแน่วแน่สมาธินี่ก็แบ่งออกเป็นสามระดับคือระดับต้นก็คือเรียกว่าขณิกะสมาธนะิเรียกว่าจิตใจตั้งมั่นได้ชั่วครั้งชั่วคราวนิดๆหน่อยๆอย่างที่สองก็เรียกว่าอุปจารสมาธิ เรียกว่าสมาธิก็นานเข้าไปอีกหน่อยเป็นพักๆเรียกว่าเฉียดจะใกล้เป็นอัปนาสมาธิในข้อที่สามก็คืออัปนาสมาธิก็คือมีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่เรียกว่าสมาธิขั้นนี้ก็คือว่าปราบนิวรณ์ห้าได้ปราบนิวรณ์ห้าคนที่สุดก็คือจนได้ฌานนะได้ฌานนี่อัปนาสมาธินี่คนเราถ้าว่ามีใจตั้งมั่นแล้วแน่นอนที่สุดจะทําอะไรก็สําเร็จดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า มาทิงพิฆเวภาเวถาสมาัยโตยถาภูตังประชานาติพิสุทังหลายจงพากัรเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ยมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงในคั้นสมาธินี่แหละเป็นตัวปัญญานะเป็นตัวปัญญาทําจิตใจของเรานั่นให้สดใสใจเบิกบานนะรู้อะไรก็ไม่ผิดไม่พลาดรู้ไปตามความเป็นจริงไม่หลอกไม่ลวงแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่เป็นสมาธิแน่นอนที่สุดมันก็ยังรู้ไม่จริงนะ รู้หลอกหลอกลวงๆวงรู้แพร่แพร่นะ่ะมันเหมือนว่ามันมีหมอกมีเมฆมาปิดบังมีทุลีคือกิเลสตัณหามาปิดบังทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะมองให้ทะลุปรืปงไปได้อ่ะมันก็ยังรู้ผิดแต่ว่าถ้าจิตตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นแน่นอนที่สุดก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้อนี่ก็คือพูดถึงเรื่องออริยสัจสีในข้อที่เรียกว่ามรคมีองค์แปดฉะนั้นเราจะต้องทําควบคู่กันไปทีนี้ถ้าหากจะถามว่า ว่าอาริยสัจสี่เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนที่สุดเพราะว่าคนเราลองถ้าหากว่าเห็นอริยสัจสีนะ่เห็นจริงๆนะเห็นจริงๆเห็นตามสภาวธรรมแน่นอนที่สุด อ, อาจจะแปลงปุถุชนให้กลายเป็นพระรยเจ้าก็ไดอ้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติกำลังปัญญาแค่ไหนเรามีสติกาลังปัญญาแค่ไหน ทำบุถุชนให้กลายเป็นพระอริยเจ้าทําพระอริยเจ้าให้เป็นพระริเจ้าตามตามตามมรรคตามมรรคตามผลอาจจะได้เป็นโซดาปฏิมรรคอาจจะได้โซดาปฏิผลอาจจะได้สักทาคามิมรรคสกทาคามิผลอาจจะได้อานาคามิมรรคอานาคามิผลหรืออาจจะได้อนาตรรมารรคอนาตผลเรียกว่าจนถึงที่สุดก็คือว่าให้หมดทุกข์ไดอ้อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้ยศสีนี้เอง นัฉะนั้นจึงบอกว่าอริยสัจสี่นี้จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนัเป็นสิ่งสําคัญมากฉะนั้นคนที่รู้อริรู้อริยสัจสี่นี้จึงจัดว่าเป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลนัรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุแห่งความทุกข์นี่ยรู้เหตุแห่งความทุกข์รู้เหตุที่จะให้ทุกเกิดแล้วก็รู้ความดับทุกข์อีกด้วยเนี่ยมันเป็นเหตุนี่มันเป็นเหตุอที่ว่ารู้เหตุก็คือรู้ทำมันอยู่อรู้ทำมันอยู่ หรือว่ารู้อัดถันอยู่นะทั้งส อ, องอย่างอัดถันอยู่ทำมันอยู่ในหมายถึงว่ารู้เหตุอัดถันอยู่ี่ก็หมายถึงว่ารู้ผลรู้ผลฉะนั้นการรู้อริยสัจสี่ก็คือรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลก็เหมือนอย่างพวกเราเหมือนกันเราทุกคนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยถ้าหากว่ารู้เหตุรู้ผลแล้วก็จะอยู่ในสังคมเหนือกว่าคนธรรมดานะรู้เหตุเห็นความเสื่อมนี่แล้วก็ รู้เหตุให้เกิดแห่งความเสื่อมนะนี่แล้วก็รู้ทางดับแห่งความเสื่อมนั้นนี่แล้วก็รู้ผลแห่งความเจริญอรู้เหตุที่จะให้เกิดผลแห่งความเจริญนี่ถ้าอย่างนี้แล้วก็สบายทุกคนนี่สบายทุกคนแปลว่าทุกวันนี้เราไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมกันนีเราไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมกันฉะนั้นเราก็จึงมีแต่ทุกมีแต่โทษนที่เราทํากันทุกวันนี้เรามีแต่ทุกมีแต่โทษนะ่เรื่องอาหารการกินเราก็ ไม่รู้ว่าบางคนก็กินจนหมดเนื้อประดาตัวพวกเราก็ติดในวายามุขนะเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายนักเลงเดิมสุราเมรัยเป็นนักเลงการพา น, นันเป็นการคบมิตชั่วต่างๆนานานี่แหละมันเป็นเหตุแห่งความชั่วทางนั้นนี่เพราะเราไม่รู้เหตุนะเพราะเราไม่รู้เหตุถ้าเรารู้จริงๆตามสภ า, ว, าว่าจริงๆตามหลักของนิยมศีลแล้วเราก็จะละได้เลิกได้ก็เท่ากับว่าเรารู้เหตุแห่งความเสื่อมแล้วก็มารู้เหตุแห่งความเจริญนะรู้เหตุแห่งความเจริญก็คือว่าอะไรที่ เป็นเหตุแห่งความเจริญเราก็ประพฤติก็ปฏิบัติในทางโลกโลกก็คือว่าเช่นว่าเราขยันนะเราขยันในการทำมาหากินขยันในการศึกษาเเรียนขยันในการกประกอบกิจการงานต่างๆนะถ้าเราทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความเจริญทีนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าในยศศสีนั้นถ้าหากว่าจะแบ่งโดยย่อๆแล้วมันก็มีอยู่ สองอย่างนะมีกิจอยู่สองอย่างนะกิจที่หนึ่งก็เรียกว่าอากิจที่ควรละนะแล้วก็กิจที่ควรทําให้ให้เจริญขึ้นนะกิจที่ควรทําให้เจริญขึ้นแต่ว่าถ้าแยกแยกออกไปแล้วก็คือว่าปริญญากิจคือกิจคือการกําหนดรู้ทุกขสัจนะว่าทุกนั้นมีจริงประการที่สองประหารกิจกิจคือการประหาร ตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัวตัณหาอกิจที่สามก็คือสัจจิกิริยกิจก็คือกิจที่ควรทําให้แจ้งซึ่งในโลหิตสัตว์คือความดับทุกข์ดับตัณหาโดยสิ้นเชิงอกิจที่สี่ก็คือภาวนากิจภาวนากิจก็คือว่ากิจที่ควรทําเจริญก็ได้แก่มรรคสัตว์นั่นเองแต่เมื่อย่อให้สั้นๆแล้วก็มีสองอคือกิจที่ควรละกับกิจที่ควรทําเจริญนั่นเองอะฉะนั้นอันนี้แหละ คนเราถ้าหากว่าได้เรียนรู้ในหลักของอริยสัจสีตามสภาวะแล้วก็จะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ที่เราไม่รู้อริยสัจสีก็เพราะ เ, เรานั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงนะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามีประโยชน์หรือว่าให้ประโยชน์แกเราอย่างไรถ้าหากว่าเรารู้เป็นจริงแล้วเราก็ดําเนินตามนี้เราก็จะพ้นจากทุกได้นะพ้นจากทุกได้แต่ที่เราพ้นไม่ได้นะ หรือว่าความรู้เหตุผลตามความเป็นจริงนั้นนะ่ะมันมีประโยชน์แกเราอย่างไรเราจะเห็นว่าถ้ารู้จริงๆแล้วมีประโยชน์แกเรามากสามารถนําตนให้พ้นจากความติดขัดได้บรรลุความสวัสดีได้คนที่ตั้งตัวได้ในโลกนี้เพราะเขารู้เหตุเพราะเขารู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอ่าให้ผลร้ายแก่ตนและคนอื่นเขาก็งดเว้นเสียรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอเขาก็พยายามกระทําผลิตให้เกิดขึ้น รีบทํำนะรีบทํำประกอบสิ่งนั้นๆอพระยาบุคคลทั้งหลายจึงทําใจให้หมดจดจากเครื่องสมองได้นี่ก็เพราะรู้เหตุรู้ผลนั่นเองอรู้เหตุรู้ผลนั่นเองทีนี้ก็เราจะปฏิบัติอย่างไรในกิจของอริยสัจสีอันนี้ในเบื้องต้นเราก็ต้องกําหนดรู้จักทุกนะให้กําหนดรู้จักทุกเมื่อรู้จักทุกแล้วก็ต้องเพียรละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกเมื่อละสมุทัยแล้วก็ต้องเจริญอก็ต้อง ก็ต้องเจริญนิโรธก็คือว่าตัวดับทุกข์นะและ้วก็เมื่อถึงความดับทุกข์เราก็ต<และ>้องให้รู้ให้รู้ทางที่ถึงความดับทุกข์นะก็คือมรคนั่นเองนะอันนี้เมื่อเรารู้มร ก, ก็ทําให้เรารู้แจ้งในนิโรธนะฉะนั้นเราก็ต้องเจริญมรก่อนนะเมื่อเราเจริญมรก็ทําให้เรารู้แจ้งในนิโรธเมื่อเรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความสวัสดีเอาละนะการที่เราได้เรียนรู้ถึงออริยสัจสี่นะก็พอ เป็นแนวทางแล้วว่าการรู้ไอสัตรีนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะมีประโยชน์แก่เรามากสามารถจะทําให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงจากสภาวะความเป็นปุถุชนให้เป็นพระยเจ้าก็ได้นะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ทําเป็นพระยเจ้าให้เป็นไปตามมรรคต่างๆนะโสดาปฏิมรรคสกทาขรรคานาคามีมรรคหรืออัมตมรรคได้ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมาทําความเข้าใจกันตามหลักของนิยตัดตีถึงแม้ว่าเราจะไม่บรรลุขั้นนั้นก็ขอให้เรา มาพิจารณาว่าให้เรารู้ทุกที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้นะรู้ทุกที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้ว่าทุกนั้นมันเป็นตัวปัญหาสร้างปัญหาให้กับเราทุกคนนะทุกคนแล้วน่ะมีปัญหาทางนั้นไอ้ปัญหานี่แหละคือตัวตันหาไอ่ตันหานี่แหละมันทําให้เราต้องหลงไหลใฝ่ฝันทําให้เราต้องตาหันไปเหมือนกับไอ้พวกเรดาต่งางๆต้องหมุนไปอยู่ตลอดเวลาตกเป็นทาตของตันหาถูกตันหามันบีบมันบังคับทําให้เกิดทุกเกิดโทษนาน า, น า, นาประการนานาประการ ดันั้นเมื่อเรารู้เหตุที่จะให้เกิดปัญหาเราก็รู้ความหนักปัญหาแล้วก็รู้หนทางที่จะให้ถึงการแก้ปัญหาและดับปัญหานั้นเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเอาละในที่สุดแห่งการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง อ, อริยสัจสี่มาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร